50 l a n เจ a g e s สกแสพนามแสดงความเป็นเจ้าของสองเวว้นตา ปริลิตเขาลืมแว่นตาของเขา t a u ุนุส a b r i ่าปริลิตตาอุนริลิตเขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหนคุหุตัสีสม่าปริลิตเ t ตติสคุหุ s ัอติสนาฬิกาเคล นาฬิกาของเขาเสียาตากล้องก๊ดกิ น, ก น, นาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้องเกลริปุปเซริุเซนอลหนังสือเดินทางปอยเขาทำหนังสือเดินทางของเขาหาย ตะนต่ะโก่แล้วเขาเอาหนังสือเดินทางไว้ที่ไหนตตอิพวกเขาของพวกเขานอดเดเนเเด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบ Need Need n e ่ที่ลับเซ็ตไม่เลี้ยงไอ้หนีวันเอมาิดนี่ที่ n ับเซ็ตไม่เลี้ยงไอ้หนีวนมแต่นั่นพ่อแม่ของพวกเขามาแล้วโอ a คสิ่งที่นี่ n e ่วันเอมาตุเลวัดกีโอเค n ิแต่มาตกคุณของคุณตยตตยต การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณมิลเลอร์กุรรอรยาราของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิลเลอร์คุาร์มุลเลอคุณของคุณต การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธคุย a าสเตเยร์เยมิทตสเตเ s ร์เรีโอลีพวสามีของคุณอยู่ที่ไหนคะคุณสมิธันเตเยเมสพรอว์ชมิทกุสันย